อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้ซึ่งไม่ใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้ซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้ซึ่งไม่ใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อ เหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระสิสัพปติฆาทุกะยี่สิบสองสนิทสนะติกะเกสิสภาวะธรรมที่กระทบได้ซึ่งเห็นได้และกระทบได้อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่กระทบได้ซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระ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 เหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวะธรรมที่กระทบได้ซึ่งเห็นไม่ได้แต่กระทบได้อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่กระทบได้ซึ่งไม่ใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระ สภาวะธรรมที่กระทบไม่ได้ซึ่งเห็นไม่ได้แต่กระทบได้อาศใจสภาวะธรรมที่ไม่ใช่กระทบไม่ได้ซึ่งไม่ใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปฏิปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีหนึ่งวาระสิบเอ็ดรูปีทุกกะยี่สิสองสนิทสนะติกะเกสบเอ สภาวะธรรมที่เป็นรูปซึ่งเห็นได้และกระทบได้อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปฏิปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตาปัจจัยมีสามวาระสภาวะธรรมที่เป็นรูปซึ่งเห็นไม่ได้แต่กระทบได้อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งไม่ใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระและถึงอัญญามัญญะปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวะธรรมที่เป็นรูปซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นรูปซึ่งม่ใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อ เพศุปัจมีหนึ่งวาระอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาร ะ, จจาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระสิองโลกิยะทุกกะ22สินิทัสนะตุกกะ92สภาวธรรมที่เป็นโลกิยะซึ่งเห็นได้และกระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นโลกิยะซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเพตุปั จ, จมีหนึ่งวาระ สภาวธรรมที่เป็นโลกีะซึ่งเห็นได้และกระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่มีเป็นโล ก, กุตระซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเ พ, นพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระผู้นับพึงนับเป็นสามวาระยอ่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นโลกีะซึ่งเห็นไม่ได้แต่กระทบได้ อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นโลกิยะซึ่งไม่ใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้พึงเพิ่มเป็นสามวาระเท่านั้นย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปฏิปัจจัยมีสามวาระละถึงอัญญมัญญ AB ปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวะธรรมที่เป็นโลกิยะซึ่งเห็นไม่ได้เลิกกระทบไม่ได้อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นโลกุตระ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 อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่จิตบางดวงรู้ได้ซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวะธรรมที่จิตบางดวงรู้ไม่ได้ซึ่งเห็นได้และกระทบได้อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่จิตบางดวงรู้ได้ซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวะธรรมที่จิตบางดวงรู้ได้และที่จิตบางดวงรู้ไม่ได้ซึ่งเห็นได้และกระทบได้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 พึงทำสภาวะธรรมที่ไม่ใช่จิตบางดวงรู้ได้ให้เป็นกลาววาระเหมือนกับสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้พึงทำสภาวะธรรมที่ไม่ใช่จิตบางดวงรู้ได้ให้เป็นกลาววาระเหมือนกันเหมือนกับสภาวะธรรมที่มีธรรมซึ่งไม่ใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นมูลตอนต้นๆเหตุปัจจัยมีกลาววาระอธิปติปัจจัยมีกลาวาระละถึง อวิคตตปัจจัยมีเก้าวาระสิบสี่อาสวะทุกะยี่สิบสองสนิทสนะตุกะเกสิบสี่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะซึ่งเห็นได้และกระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะซึ่งเห็นได้และกระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นอาสวะ ซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระละถึงวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอาสวะซึ่งไม่ใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้โดยนัยยะเบื้องต้นมีสามวาระ เหตุปัจจ ap ัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระละถึงอัญญามัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอาสวะซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอาสวะซึ่งไม่ใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อ เหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระ 15. สิบห้าอาสวาทุกะยี่สิบสองสนิทัสนะตุกะ9ก้าสห้าสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเห็นได้และกระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระ สภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเห็นได้และกระทบได้อาใจสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอภิปติปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งมีธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เป็นมูล มีสามวาระโดยนัยก่อนเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระละถึงอัญญมัญญปะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตปะปัจจัยมีสามวาระสภาะวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาจาวะซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้อาศัยสภาะวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาจาวะซึ่งมใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุ ป, ปัจจัย ยเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระ 16. อารวะสัมปยุตตทุกขะยี่สิบสองสนิทสนะติกะ96สะภาวธรรมที่วิปยุต์จกอาสะวะซึ่งเห็นได้และกระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุตด้วยอาสะวะซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่วิปิวจักอาสวะซึ่งเห็นได้และกระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่วิปิวจักอาสวะซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระละถึงอัญญมัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระ ละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่มีธรรมที่ไม่สัมปยุดด้วยอาสวะซึ่งไม่ใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เป็นมูลมีสามวาระเท่านั้นเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปฏิปัจจัยมีสามวาระละถึงอัญญามัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจัจมีสามวาระ สภาวะธรรมที่วิปียุจางอาสวะซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่สัมปยุทธิ์อาสวะซึ่งมิใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปฏิปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตาปัจจัยมีหนึ่งวาระสิบเจ็อาสวะสาสวะทุกะยี่สิบสองสนิทสนะติกะเก้าสิบเจ็ด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 อาทิปติปัจจัยมีสามวาระละถึงอัญญมัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะแต่ไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งไม่ใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย ยอเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระไม่มีวาระในอาจวะอาจวะสามยุตตทุกละสิบอาจวะวิปยุตตาชาสวะทุกละยี่สิบสองสนิททัศนติกละเกสภาวธรรมที่วิปยุตจากอาจวะแต่เป็นอารมณ์ของอาจวะซึ่งเห็นได้และกระทบได้ อาศัยสภาวธ ร, รรมที่วิปิยุจักอาสวะและไม่ใช่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งไม่ใช่เห็นได้แ ล, ละกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่วิปิยุจักอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเห็นได้และกระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่วิปิยุจักอาสวะและไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจใจมีหนึ่งวาระย่อ เหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคัตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่วิปิชจาอาสวะและไม่ใช่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งไม่ใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เป็นมูลมีสามวาระโดยนัยก่อนนั่นเองเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระและถึงอัญญมัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึง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 54, ห้าสิบสี่ฮักะโคชะกะมีสัญโยชนะเป็นต้นยี่สิบสองสนิทสนะตุกะเก้าสิบเก้าสภาวธรรมที่ไม่เป็นสังโยชซึ่งเห็นได้หรือกระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นสังโยซึ่งไม่ใช่เห็นได้หรือกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระยอ่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปฏิปัจจัยมีสามวาระละถึง วิปลากระปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระหนึ่งร้สภาวธรรมที่ไม่เป็นคันทะซึ่งเห็นได้และกระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันทะซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระละถึงวิปากระปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึง so อวิคตะปัจจัยมีสามวาระร้อยหนึ่งสภาวธรรมที่ไม่เป็นโอคะซึ่งเห็นได้และกระทบได้อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นโอคะซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยจมีสามวาระอธิปฏิปัจจัยมีสามวาระละถึงวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระร้อยสอง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 ซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระละถึงวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระห้าสิบห้าถึงหสิบด ม, มหาตระทุกะย2สิบสองสนิทสนะติกะร้อยห้าสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ซึ่งเห็นได้และกระทบได้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 อวิคตาปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้มีสามวาระเท่านั้นเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปฏิปัจจัยมีสามวาระละถึงอัญญมัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่รับรู้อารมณ์ได้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 สภาวะธรรมที่ไม่เป็นจิตซึ่งเห็นได้และกระทบได้อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นจิตซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระ ย, ออจจยระ่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระร้อยเจสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเจตสิกซึ่งเห็นได้และกระทบได้อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเจตสิก ซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปฏิปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระร้อสภาวะธรรมที่วิปิวจักจิตซึ่งเห็นได้และกระทบได้อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่สัมพยุด Ra ้วยจิตซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระ อธิปฏิปัจจัยมีสามวาระและถึง um อวิคตะปัจจัยมีสามวาระร้อยเ้าสภาวธรรมที่ไม่รัควกับจิตซึ่งเห็นได้และกระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่รัควกับจิตซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปฏิปัจจัยมีสามวาระและถึง um อวิคตะปัจจัยมีสามวาระร้อยสิ สภาวะธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานซึ่งเห็นได้และกระทบได้อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่มีจิตเป็นสมุทฐานซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยว่าโดยจิตตสมุทฐานรูปนั่นเองมีสามวาระย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปฏิปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีสามวาระร้อสอ สภาวธรรมที่ไม่ใช่เกิดพร้อมกับจิตซึ่งเห็นได้และกระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เกิดพร้อมกับจิตซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปฏิปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีสามวาระ1้ อ, ส, ส, อสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นไปตามจิตซึ่งเห็นได้และกระทบได้ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นไปตามจิตซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมี <S. สามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระ1้อสภาวธรรมที่ไม่ใช่รักพกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานซึ่งเห็นได้และกระทบได้อาจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่รักพกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐาน ซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระร้อยสิบสีสภาวธรรมที่ไม่ใช่ระควรกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเกิดพร้อมกับจิตซึ่งเห็นได้และกระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ร้ควรกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเกิดพร้อมกับจิต จึงไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปฏิปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระร้อยสิบห้าสภาวธรรมที่ไม่ใช่รัคลกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเป็นไปตามจิตซึ่งเห็นได้และกระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่รัควกับจิตมีจิตเป็นสมุฐานและเป็นไปตามจิต ซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตปปุปัจจัยมีสามวาร ะ, ะอธิปฏิปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระร้อยสิหสภาวะธรรมที่เป็นภายนอกซึ่งเห็นได้และกระทบได้อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เป็นภายในซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระ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 อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระร้อยสิบแปดสภาวะธรรมที่กลรรัมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือซึ่งเห็นได้และกระทบได้อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือ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 อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุ ป, ปาทานซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระละถึงวิปากาปจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระ75คิเลสาทุกกะ22สนิทัศนะตึกกะ120 สภาวะธรรมที่ไม่เป็นกิเลสซึ่งเห็นได้และกระทบได้อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นกิเลสซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระละถึงวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตปัจจัยมีสามวาระไปสิบสามถึงหนึ่งรปิติทุกขะยี่สิบสอง สันิทัศนะติกะร้อยี่สิเอดสภาวะธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมัคซึ่งเห็นได้และกระทบได้อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมัคซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระละถึงวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตาปัจจัยมีสามวาระ ร2อสภาวะธรรมที่ไม่ต้องประหารได้มรรคเบื้องบนสามซึ่งเห็นได้และกระทบได้อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ต้องประหารได้มรรคเบื้องบนสาซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระมาทิปฏิปัจจัยมีสามวาระละถึงวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตปัจจัยมีสามวาระร้อยี่สิบสาม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 สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกซึ่งเห็นได้และกระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีวิตกซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปจัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีสามวาระร้อยี่สิหสภาวธรรมที่ไม่มีวิจารณ์ซึ่งเห็นได้และกระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีวิจารณ์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 ร้อสภาวธรรมที่ไม่สหรคตด้วยสุขซึ่งเห็นได้และกระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่สหรคตด้วยสุขซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระร้อสาสสภาวธรรมที่ไม่สหรูคดูเบคาซึ่งเห็นได้และกระทบได้ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่สวรรค์ก็ดูเบิขาซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปฏิปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระร้อยสามสิบเอ็ดสภาวธรรมที่เป็นกลามวจรซึ่งเห็นได้และกระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกลามวจรซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ เกิดขึ้นพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระร้อสสสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปราวจรซึ่งเห็นได้และกระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปราวจรซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่เอเหตุปัจจัยมีสามวาระ อธิปติปัจจัยม er ีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระ1 3อสสาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปวจรซึ่งเห็นได้และกระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอธทิปติปัจจัยมีสามวาระละถึงวิปากรปัจจัยมีหนึ่งวาระ ละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาร ะ, ะาร้อยสามสิบสี่สภาวธรรมที่นับหนึ่งในวัตทุกข์ซึ่งเห็นได้และกระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่นับหนึ่งในวัตทุกข์ซึ่งไม่ใช่เห็นได้ไไดและกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปฏิปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระร้อยสามสิบห้า สภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัตฏุขซึ่งเห็นได้และกระทบได้อาัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุนำออกจากวัตฏุขซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระละถึงวิปากาัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระร้อาสห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 สภาวะธรรมที่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าซึ่งเห็นได้และกระทบได้อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระร้อยสามสิบปสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุที่จัดร้องไห้ซึ่งเห็นได้และกระทบได้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 เหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตาปัจจัยมีหนึ่งวาระปัจจนียะณเหตุปัจจัยและณอารมณปัจจัยร้อยสามสิบเก้าสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัต์ร้องไห้ซึ่งเห็นได้และกระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้สัต์ร้องไห้ซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระ สภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ ร, ร้องไห้ซึ่งเห็นได้และกระทบได้อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้สัตว์ ร, ร้องไห้ซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะนารมณปัจจัยมีสามวาระย่อณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณนะอารมณปัจจัยมีสามวาระณอธิปติปัจจัยมีสามวาระลนะถึงนกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระณอหาระปัจจัยมีหนึ่งวาระนะ นอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระนาชานาปัจจัยมีหนึ่งวาระนามะคะปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงโนวิคตปัจจัยมีสามวาระนอารมณปัจจัยกับเฮตุปัจจัยมีสามวาระย่อเฮตุปัจจัยกับนอารมณปัจจัยมีสามวาระย่อพึ่งขยายสหชาตาวาระปัจยวาระนิสยวาระสังสัตตวาระ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 ที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งเห็นได้และกระทบได้โดยเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสองวาระอธิปฏิปัจจัยมีสองวาระและถึงสหชาติปัจจัยมีสาวาระนิสยาปัจจัยมีสาวาระปัจฉาชาติปัจจัยมีสองวาระกรรมปัจจัยมีสองวาระวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยมีสองวาระ อินทริยปัจจัยมีสองวาระชานะปัจจัยมีสองวาระมัคคะปัจจัยมีสองวาระวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสาวาระพึงนับอนุโลมปัจจ尼ยะอนุโลมปัจจ尼ยะและปัจจ尼ยานุโลมแห่งปัญหาวาระในกุศลติกะที่นับไว้แล้วธรรมปัจจ尼ยานุโลมทุกะติกะประฐานจบ